ในวันนี้มาถึงวันนี้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโปรดไปรับทราบว่าวันนี้เป็นวันชันธ์นอย่างไรเราก็เข้าใจกันถือเผื่อว่าวันลอยกระทงก็ไปเชี่ยวกันมีมหากรรมมีโลมหกต ม, มีลอยกระทงประปวดนางลกขมา้ลอยกระทงกันโสดตัดผ้ากันโป่งฟังตป่งฟั ง, ง, ง, ง, งนี่ก็ได้บุญนะได้บาปนะ เอาบูชาเอาปรทับบูชาพระพุาาทธเจ้าคือแม่นมามา้ำเนรนันมะนีทะดือยทะเลออยางนี้มันไม่เสีเ่ยงไม่ถูกระบบคทางพระพุทธศาสนาเลยก็พอแม่ก็แสนลูกถืิประทับลยกระพงก็จือระทับปลุกงสาปึงก็จืตปรทั ตายก็โสดปฏทักษ์เจอก็โสทักษจะให้ต้งฟังตรงฟังนึกว่าไรถีดูตากแต่ก็ไหลก็ถีก็ไม่ออกถีมันลู่ด้วยวนี่ถีมันถึงอยู่ในจุดใจทุกคนคุ้ยเรื่องละมากหลายในยุคใหม่สมัยเปอย่างนั้นแล้วันฉันพันที่เราวันนี้มีแสงกระดุกจะเด้นที่หนึ่งเป็นวันหมดอายุขาย ของออผ้าวัตถิกถาเด็กข้าอาบนำฝนหมดอายุในวันนี้แล้สูเดือนเต็มที่ท่านทั้งหลายได้ถวายผ้าวกัตถุกถาสิทธิกัรข้าอาบนำฝนในวันนั้นทุกห้าคัำเดือนตากวันพระอาซาลาห์บุตรา วันเริ่มข้ามกะแสดงยมกอธิหารเตวิชิทแมนดาก็เริ่มถวายผ้าจ่ยวันละสักครับงซึ่งผิดพาดครษ้ง้ผ้า อ, อาบน้ำสองผ้าก็ใช้มาได้เวลาสี่เดือนพอดีจึงันนิ่งนี้นหมดอายุแล้อ่ะถ้าหายก็หายไปถ้าไม่หายต้องถอนล้วิจับใช้ต่ออายุเอาไว้ใช้ต่อไปได้ กบระบวนที่ห น, ห, นทนนนนหนึ่งขวัญประเด็นที่สองวันนี้วาระอุตตร์กาเป็นนิ่งขวัญแสงสว่างจ้าคือสัจจานอยอยู่ในภาป้าเปลกลางเดือนที่สองเที่ยเด็นสิบสองน้องกระลิ่งเพื่อให้หมดด้วยน้าท่านาชลไหลม า, าต 5, 6, 7, 8, ั้งแต่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดฝนตกบัดนี้น้ำกลางเดือนที่สอง ก็อนองแล้วก็ใสสะอาตดตกต้นะตะกรอนใสก็จะงุยนตักน้ำดวนที่สงไว้ทำยาเอาไว้รับทานต่อเมื่อไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาเปต้ตงเป็นยาสำหรับปู่ย่าต า, ายายเล่าเสกดันมาอย่างนี้เพราะน้ามันใสในกลางดวนนี้เขาจะนิยนตักตอนวุนาฬิก า, าเลือแพจอดสงบน้าก็นึ่งสงัด น้ำง่ายสงบเหมือนติดและมีสมาธิมันก็ใสระอาดอย่างน้ํากลางเดือนจี่สองถังก็นี่จะโดนอันเขาจะนิยมตักน้ะน้ําในบ้านของโบราณบรรดุตั้งแต่ชิโกะไทยมีสงังถังถั้งหนึ่งก็แลมันฝนวันตั้งแต่เดือนแปดมาถึงกลางเดือนจีบสองหมดเดูฝนก็ดได้ฝนเต็มถังเอาไว้รักทาในนาคต ที่ใคทำไล่ใช้นางอครั้งหนึ่งก็เตรียมขอแรงลูกหลานเพื่อกัรตัดน้ำกลางเดือนที่สองมันน้าฝนเกลวเลยอย่างนั้นตัดเทวีฉันหนึ่งเอาไว้ไปใช้ในในความเจ็บทุกข์ยากลาบากในการอดน้ำอดผ้าในนับคนโบราณเหงาใจมากรงไยมตักน้ําางเดือนที่สองเ คนโบราณเขายังมีลักษณะว่าทำยาได้น้ําฝนกลางหายทำยาได้น้ําฝนที่ตากไว้เดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วมีตะมูลสารของสกกรกน้ําฝนก็เจ็บเราใช้ไม่ได้เหม้อนก่อนมาเป็นต้นการที่สองน้ำพรางดุจเสือมาจากไหนโบราณมันเกิดมาจากทุกข์ายมือก้นหมากราบไม้มากมาทานเส้นไม้ยา ตขมุนชายผ่านว่ามนต์โดนตะขาชาแล้วก็ลงมานน้ำมาสู่ตึงวางยมนั่นเขามาสู่ปากน้ำเพลลงสู่ในน้ำใจพยามันก็เป็นอย่างผ่านมาหลายมือสูนยมนาประการผ่านมาเยะแยะกว่าขอมาใสสะอาดแตกต้นตะกรอนหลังแล้วคลองแล้วจึงใ้ไม่กระเพื่อน ให้คุณอุต่อไปเขาะจะมีโยมกักตอนเทีย่ยงคืนในค่ำคืนนี้ตามยุคศตวรรนาฬิกาน้ำจะนิ่งเพราะเรือไม่พายเรือไม่แจกเรือโยงก็ไม่มีขนาด น, นั้นน้ำจึงนิ่งทุกสิ่งเป็นยาได้เหมือนจิตเรานิ่งจิตเป็นสมาธิไม่โกรธไม่เครียดไม่ปลูกพยาบาทใครชนะ น, น้ำจึงเป็นตัวยาฉะนั้น จิตใจที่สงบก็เป็นตัวยารักษาโรคกายโรคใจได้โรคกายไม่มีโรคใจก็หมดไปท่านจะจังไรก็หมดเพราะจิตใจใช้สะอาดมันน้ำกลางเดือนที่สองเป็นต้นแต่โดนี้เชื่อไม่ได้น้ำกลางเดือนที่สองก็หมดโอกาสที่จะสะอาดมือแต่ไอลงงานสากรดำลอยน้ําค ล, ลกโคลกลงมาหมดเลยแล้วก็น้ําก็โคกโคกมาในกลางเดือนที่สอง น, อ น, น้ํากระนองกระลิ่น ทุกขงพึ่งไม่ได้แล้วถึงนองทังลังหลายเอ๋ยอะไรจะสะอาดเข้าจิตใจของเราเถิดน้ำเดี๋ยวนี้สกปปกมากมายน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาพึ่งไม่ได้เลึ่งกันไอ้ของสกปปกลามกลงไปในน้ำทั้งอุจระอัตวะทั้งเทศบาล ตลอดาการน้ําที่มันเป็นมูลสารที่โสกปตก็หลังไหลลงไปในน้ําจ้าพยาไม่เหมือนแต่ก่อนมน้าแต่ก่อนน้าสะอาดน้ําเป็นยาไดา้เดี๋ยวนี้สปกปตกจะทำอย่างไงละนีประเด็นขัดขัายเน่ยเราที่เราลอยกระทงนั้นเป็นประเด็นต่อไปเราต้องการจะ บ, บูชาพระพุทธเจ้าคืเด็จที่กลางสะดือทะเล ตอนที่น้ํามากหลากมามากมายพระพุทธเจ้าก็ขยดนยุหัสศาสตร์กลางทะเลเราก็ไม่สามารถจะไปเฝ้าพระพุทธเจา้าได้อยู่ไกลมากพระองค์ทรงทรงกลมทรงกลมที่ทะเลกายว่าอย่างนอกายอย่างหนอไปพระบาทห้ารอยนมัมมนะมุชาณแม่นม้ําเป็นต้นณนะทะเล เรียกว่าพระบาทห้าลอยที่เราบวชมนต์ตอนเย็นทุกวันปวชมนต์ตอนเช้าทุกวันไหว้ศรบาทห้าลอยก็คือเราไหว้ศรบาทก็คือรักษาถึงห้าให้มันชัดเจนศรบาทห้าลอยตั้งแต่ปานาถึงภูลาเป็นต้นไม่ถึงใจตามรอยุคลบบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสอมพุทธเจ้าได้จึงได้เลยไปบูชา นี่ระเด็นอย่างนี้ไม่ใะอาประทัดมาจูดเนบอกสอนลูกสอนหลานซะนั่นนะนนเสือเงินเปล่าเปล่าจูดประทัดไล่ผีหรือยังไ ง, ง, งเนี่ยเนี่ยเด็กแต่งฟังอ่ะจูดกันตลอดมาไม่รู้กี่วันมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรคนบ้านนี้ไม่มีธรรมะนี่มาจี้มาจูดจนห้างวัดเดี๋ยวจะมาจูดตรงนี้เนี่ยระวังนะเดี๋ยวจะมาจูดตรงนี้เนี่ยเขาจะไลผ่ผีผีมันเข้ามาในวัดผีมันนึ่งขาวเป็นแทว เเนี่ยไอ้ผีเนี่ ย, อ พ, ย, ยพอจะไล่ได้ไอ้ผีสิ่นอยู่ในจิตใจของคนเนี่ยไม่มีใครไล่ไม่ใชุู่ประทัศเป็นการลอยกระทงนี่ลอยกระทงมีความหมายอย่างนี้ขอให้อุมาสุวิกาจําไว้เวลาไปบูชาพระพุทธเจ้านี่กระเด็นกระเด็นต่อมานะั้นเราถ่ายมูดเอาจมลงแม่น้ำพระกรุงค่ะอ๋อแม่ทรณีเจ้าเอออยู่แล้วรู้อย่างสังหาตกลางโลกลงกวิถู ทั้งบูดอุดสารปัจฉวแม่ธรณีไม่เคยว่าทั้งแม่ปลาพายั้งด่าลมฟ้าพระฝ้าดินคนเราเนี่ยยังด่าฟ้าดินจึงไดมีธรรมชาติลงโทษเป็นฝ้าปลาฝ้ดินขลุ่มน้ําท่วมแม่ปลาพายชายพาดเรือนพังไปเป็นแถวๆนี่มีเหตุผลที่ประเด็นนี้จะต้องขออโหสิกรรมต่อฟ้าดินแม่ธรณีเจ้าเอ๋อยู่แล้วหรือยังสังขารกลางโลกกลางกวีชู แล้วก็แม่พระภ า, ายชัยครับแม่จะคงคาเอ่ยใสยสะอาดปราศจากมลทิงคือแม่ของเราเราถ้าไม่ได้แม่จะคงคาแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรล่ะเราไม่มีน้ํารับทานอยู่ได้ไหมขาดน้ําก็สิ้นชีวิตขาคูปเช็คชไวิตยันอยู่ได้อย่างนี้แต่ต่อ พัรษาทุกคนทุกปบอรทั้งหลายลอยกระทงจนมีความหมายดอกไม้สุดเพียนบูขาพระดินเนกันเราไม่สามารถจะไปเฝ้าพระพุท ธ, ธเจ้าได้ก็อยู่กลางคะเดือดทะเแม่น้ำเนโนนกางสะเดือดทเลน้ำมนต์ถีและพระบาทห้าลอยเราเนี่ยไปบูชาเนี่ยกลางเดือนที่สองนี้เข้าวันน้นํานองกะลิ่นเดือนที่เด็กน้นํานองเดือนที่สองนัง่งสง ถึงเดินอ้ายเดินยื่นน้ำกอรีไหลลงหมดแล้วท่านทั้งหลายเ อ, อ๋วปากพอกชิดน้ำขึ้นลีบตักน้ําลงแล้วเราจะไปตักที่ไหนล่ะความดีรีบทำท่านในวันนี้แต่นจะมีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายยิ่งเกินที่ความประวัติเป็นมาต้องลอยตะคงกันอย่างนี้ไม่ใช่แต่มีลิเกละครเอานางเทพรีเทพามาประกวดจัดที่ข้อแท้จริงมีไม่กี่ข้อต้องการจะ บ, บูชาพระพุทธบาท ลอยพระอยู่คนละบ่ายของพระพุทธเจ้ากําลังทรงกลมอยู่กลางฝดุททะเลฉนะนั้นเราจะได้บุญด้วยกุศลไม่จะมาถูกปะัะทัดกันอย่างนี้ปัปะทัดเพื่อจะไล่สับพุทธเจ้าไล่เงินไล่ทองออกจากบ้านทา่านหรือประการใดก็เห็นจะเป็นเช่นนั้นไล่เงินไล่ทองออกจากบ้าน้องดอูด้วยความสงัด บ้านไหนมีความสงบบ้านนั้นเรียกเงินเรียกทองหลังหลาดหลังไห ล, ห ล, งไหลเงินพองมาสู่บ้านไนดะ้เป็นชลิมีฝันมงคลได้การสู่ประชดสูเปืนยิงปืในไล่แห่ขันอย่างนี้เรียกอยาก่อาอคุศลระดับเส้นบาเป็นกรรมเนี่ยแล้วมาสู่จะในวัดอีกด้วยเส้นบาเป็นกรรมมากมายเยอะเกินหลานทั้งหลายต้องการเป็นมงคลชีวิตแก้วสอนลูกหลานอย่าสู่ อย่าปลูกในบ้านในเมืองทุงทัศแต่ประการใดถ้าต้องการล่ำรวยสวยดีมังมีมามมาาที่ปลกโปดตรวจพุทธคุณพามาการเจริญะกรรมฐานจิตท่านสงบเหมือนน้ำใสกาสะอาดเหมือนน้ำกลางเดือนจี่สองกำลังนอนตะบอมใสสะอาดแหวกว่าชลาคือปลามองเห็นดังชัดเจนแล้วนั่นแหละใสสะอาดอย่างนี้ นั่นแหละท่านจะได้บุญเรียกุญศนได้มหาศาลจะขอถ้ามาลาโทษกับคุณปฏิจจนากายก่อแม่ทรณีแม่ประินคาบ้านที่เราต้องบวนเสฉลบุญละภัสาวะไปมากมายก็ต้องขอสามาราโทษแม่จ๋าแม่จาเหมือนแม่ประคงคาของลราแม่เหมือนพระทายชัยพักลูกร้อนมาแม่่อพักวีให้ลูกในยาแม่ทั้งนั้น แม่พระคงคาชนะร่างกายลูกกสะอาดสบายใจยามร้อนยามยากลำบากมาก็หาเพื่อแม่เจ้าแทนพระองค์ค่ะนี่เราก็จะได้บุญได้กุศลในวันรอยกระงเช่นอย่างกล่าวแล้วไม่ใช่อประทัดมาสุดสุกจะเอประทัดไล่ไล่ความดีออกจาก บ, บ้านไม่มีที่ไหนเลยสิ่งหนึ่งขวัญเขาจะอยู่บ้านที่บ้านมีความสงบสามีภรรยาไม่ทะเลาะ ก, กัน ผลิหนึ่งขวัญจะอยู่บ้านนั้นตลอดชีวิตหากบานไหนทะเลาะกันด่ากันหาเป็นอัปมงคลิริหนึ่งขวัญจะออกจากบ้านนั้นทันทีจะห น, นีออกไปจะไม่มีมิึ่งขวัญมงคลในบ้านนั้นต่อไปท่านเอาเอาปากาจดระดับเป็นอัปมงคลเหลือเกินไม่เป็นมงคลชีวิตแต่ประการได้มีเหตุผลข้องวันลอยกระทงเดี๋ยวเราจะได้บูชาพระอพระพุทธเจ้าประชามุสม จะขอสมาลาโทษกับแม่สะโพกขาบ้างไม่ใช่อภิทัศไปจุดไปขอสมาลาโทษมีลูกมีหลานสอนก็จะมั่งนะสอนก็จะมั่งเวลาสงกลาแลสอนลูกหลานนะเอาหน้าไปสาดเท้ากลางถนนนั่นได้บุญมากสาดลดไฟเปลี่ยนเปียกไปเนี่ยเสียดายเราไปนุบาสกิกาเต้นคือมาบัญญัติธรรมบวชหน้ามันมีแห่ในเขตที่มาพาไปลูกศิษย์มาบัญอย่าทํางานสอบไม่มีกินละ มีแต่บางเพลงกุศลให้แม่ในโรงศพนั่นถึงจะถูกก็าพาไปยกศีลอเู่นี้ครับทํามชายุคศีลอยูนี้ตามสบายเราก็ไม่แพ้แม่ตายสัตว์ร้ายโปดได้ทราบเ น, นื้อแดงกล่าว ม, มาวันนี้กาจารย์แสดงถึงเรื่องประกรรมฐานเพราะวันนี้เป็นวันกรรมฐานวันศักระโปรดติดต่อและติดตามฟังวันนี้จะพูดถึงเวลาเอพิธีฆ่าความโปรดติดต่อจากวันค้าวทีนี้ ว่าความโปรแเ้าฆ่าได้อย่างไรจะอยู่เย็นกระจุกประการใดขอท่านพุ้ตบริษัททั้งหลายติดตามฟังสึกไปน้าโอกาสแบบนี้ขอเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วการนักบัตนีีก <c oughs> <c oughs> ารที่ยากที่น้องพุทธับริษัททั้งหลายเราได้มาเจริญกรรมาฐานนั้นก็คือมาปฏิบัติธรรมะบำเพ็ญศีล สมาธิปัญญาเท่านั้นเองแต่การประเพ็ญศีลเราก็รู้เรื่องได้ดีแล้วไม่จําเป็นต้องรับกพ ร, ระสะมาทานศีลเนี้ยศีลอุโบสถศีลแปดมือสตกสมัมปชัญญะอยู่กับตัวเราเรียกว่ากายานุปัตตนสิิปัจฐานเวชนานุปัตตนสิิปัจฐานธรรมานุปันาตตนุปัสิทติปัจฐานธรรมานุปัตตนสิิปัจฐานทั้งสี่ประการ น, นี้ กายจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเหลือขวามีสติกำ ก, กับกายก็เรียบร้อยวาจาจะพูดกับเคราะมีเหติผลไม่พูดเท็จในพูดสอเทียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ออีกต่อไปนี่คือกรรมฐานนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมออกมาในลักษณะการอย่างนี้เวทนารุปัสนานั้นมีการปวเมื่อยหรือเพ่อสตุลกายเสียใจดีใจ ก็ต้องกำหนดตั้งสติตลอดในการที่ลิ้นตนะกายานุปัฏฐนาข้อตอนน่อในยืนหนอห้าครั้งขอให้ผู้ปฏิบัติ ท, ทําให้ได้ยืน ต, ตั้งต่สติปัดที่จกะลงสู่กายชักบางคนทําไม่ได้ไม่ได้ผลต้องฝึกให้ให้ได้ได้โดยมีสติยึดเหนี่ยวประจิตตลอดในการว่ายืนหนอห้าครั้ง ครั้งแรกยืนนออั่ทิศทางลงตายเช้าให้สติอยู่ก็จิตให้ดน่ะครั้งที่สองก็นั่งหลับปลายเท้ายืนหนอทําให้มันได้หน่อยได้ไหมให้มันได้ปัจจุบันถ้าท่านทําได้ปัจจุบันห้าครั้งได้ผลเลยจะดูคนก็ดูตรงนั้นทิศทางลงตายเท้าปลายเช้าคนทิศทางนิสัยดีมาดีมันจะบอกได้ดูการสัมผัสการสัมผัสแล้วมันจะบอกได้เลยว่าคนนี้นิสัยดีมาดีเต็นอย่างไร มันจะอ่านออกบอกได้ใช่เป็นมิประโยชน์แต่ผู้ปฏิบัติทำมากทั้งทางผู้ปฏิบัติไม่เอานั่นเองไม่สนใจตามที่อรตามาสอนแต่ประการใดเลยไม่ได้เรื่องได้เล่วอะไรเวทนาบังคับไม่ได้ม่เกิดเองปวดเมื่อยปวสะโลกายเสียกายดีกายไม่เกิดเองแต่เราตั้งสติกําหนดเท่านั้นเองแล้เมื่อปวดปวดสะโพลกายแล้วก็ตั้งสติกําหนด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 เวลามันตรวจเราก็ต้องศึกษาสแสวงหาความรู้การตรวจนั้นมันจะรู้ว่ามันตรวจมากตวดน้อยประการใดอย่างนี้จะเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติมากพูดอย่างนี้ก็พูดซ้มซากมาทุกครั้งแต่ไม่มีค่าธรมตามนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์แนะนําให้มันถูกต้องเดินให้มันได้จังหวะยืดหนอห้าครั้งให้มันได้ถ้าได้แยกทันทั้งหลายทําอะไรได้หมด <c oughs> ยืดหนอห้าครั้งได้คิด กับหนดได้เลยได้ปัจจุบันธรรมได้สมปราถนาจะมีสติอยู่ก็จิตตลอดโดยการจิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านจิตใจจะไม่ส่งไปอีกนจิตใจจะมีแต่ปัญญาทําอะไรก็จะได้แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้สมปราถนาทุกประการนี่เหตุผลเพื่อการกําหนดจิตอย่างนี้ <c oughs> เวทนาเราก็กําหนดได้ไม่จะวิปลาสที่าามาปวดเมื่อยก็เลิกฝืนใจไม่ได้ทนไม่ได้ ก็ท่านจะต้องทํากรรมฐ า, านก็ไม่เห็นผลที่ดุ่ะไม่เดียบประโยชเ์แตที่ยผลแต่ผลการใดไม่มีแลยไม่สบายใจก็กําหนดจิตต่างสติไว้ที่ลิ้นปียหายใจยาวๆค่ะเสียใจกําหนดดูใจกําหนดโปรดกำหนดแต่พอใจกําหนดตรงนี้หายได้ตลเนี่ยแต่และเราผู้ปฏิบัติก็ไม่เอาทิ้งไปและการปฏิบัติจริงติดย่อยนะั่นปฏิบัติทั้งตาหูจมูกลิ้นไจ ท, ที่มันจุกเกิดจิต เกิดท้งตากําหนดเห็นหนอเกิดทั้งหูเสียงหนอเกิดทั้งจ ม, มูกก็เป็นหนอเกิดทั้งริ้งก็ลบหนาะาสัมผัสร้อนหนาก็กาหนดไมาอย่างนี้ได้ผลแน่เราจะได้รู้สภาพความเป็นหนุ่ของชีวิตเล้รู้ว่าหนาวร้อนเป็นประการดังจะหนาวหรือจะร้อนก็ทนได้มีสติฉัตรการยะกึะจำกลับไ ป, ปรับจิตแล้วเราก็ได้ผลควนที่จะโลกศาสตรอย่างนั่งกรรมฐานนะควบคุมจิตไม่ได้ ไม่มีคติเลยก็ทําไม่ได้ต้องรักษาหายก่อนโลกลมโลเลือกลมไม่ดีก็ไม่สามารถจะนั่งกรรมาฐานไดน้ต้องกําหนดให้ได้ก่อนต้องรักษาก่อนภาวาตัวความได้ปกติก่อนถึงจะได้ผลนี่อันนี้มีจุดมุ่งหมายสําคัญอันหนึ่งจุดก้าในปรัชนานั้นคือจิดคิดกุ้งชาติครับต้องกำหนดคิดหมอให้มันได้ให้มันได้กําหนดในการคิดคิด อ, ออกมาให้มันถูกต้อง จะได้มีปัญญาเกิดขึ้นถ้าทําได้ตามที่ตมากราวย์เนีได้ผลท่านจะทําอะไรก็มีปุญญามารยาทั้งด้านกายกา ย, ยกรรมกรรมทางกายก็ดีกรมทางวาจาก็พูดดีเรียกว่ากา ย, ยกรรมสามว่าคืกรรมสี่มโนกรรมสามว่าเกิดขึ้นการกระทําความยึดเกิดขึ้นทางด้านกายทางด้านวาจาได้จุดของเรานั่นเองเรูกวัตถุแห่งกรรม มันจะปรากฏชาติให้แก่ตัวเราโดยชัดเจินอารมณ์ต่างๆก็มาเข้าสู่เราก็เป็นโกรธไม่พอใจเราก็จะได้กำหนดเราจะได้การกระตูในการโกรธจะไม่ผูกพยาบาทชาติอยู่เว้แต่ขัน้นผูใดใครที่ไหนจะอีิจฉาไปมันก็ได้ผลอย่างนี้ความเกลียดความผูกข้าอาฆาตความอิจฉาที่เสีจะไม่มีกับเรา <c oughs> มันจะมีสัตยอยู่ตลอดเลยตามอย่างนั้น จึงะเรียกว่าการเจริญสกามฐานหรือเจริญปติปัฏฐานสูแนวทางสเอื้อของพระพุทธเจ้าจะดำเนินยึดถือชีวิตอยู่ความถูกต้องจะทําอะไรก็ทําด้วยความสงบอย่างแน่นอนตั้งใจทําและยทำด้วยกตฐาทําด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบทําด้วยความถูกต้องตามคันแรงปุ๊บชิตนี้การจะทําอะไรก็ได้ผลกับในธุรกจิจหรือกับธุระกลางนี่จะงานกุผลงานอ่ะกูผลแทนเขาจะได้ผลออกมา ตามธรรมชาติแล้วความโลภความเกลีดความหลงที่มีอยู่ในตัวมันก็จะเบาบางขัดเกลาขจลดให้เบาบางไปได้ความโลภอยากได้เสียไม่เอาด้วยกระทั่งเจริญกระทุดีเนี่ยท่านจะรู้ได้ว่าความเสือสาขุนหยักหลักอยากจะให้อยากจะช่วยเขาเนี่ยความเสืสขุนลักมันก็เกิดขึ้นฝันบอดมักนอนก็เกิดขึ้นความโลภอยากได้ของเขามันก็หลบน้อยเฉยน้อยไม่อยากได้ของเขา อยากได้ของเราที่ทํามาด้วยความเหนื่อยยากทำมาด้วยความลำบากนี้เราก็อยากได้รักษาไว้มีประโยกหดหน้แต่ความโลกโดนไม่อยากได้ของคนอื่นไม่เดือดเดือดชับแต่เราต้องกางอยากได้ของที่เรามีอยู่แล้วและก็เจริญรุ่งเรืองแล้วและได้มาด้วยความเหนืยากยด้วยความพักนําแรงของเราเองและก็โดยสติสัญญาของเราเองไม่เดืดไปโกงใครไม่เดือดกระดุกติดจิ้พันธงกษัตริย์อย่างนี้ไม่เดืถือว่าความโลก แต่ถือว่าการฉันดวกับนักน้อยยินดีของที่มีอยู่ที่ได้มาด้วยมีดีใจที่ได้มาด้วยความเหน่ยากได้มาด้วยกําลังกายกําลังกําลังใจของเราน่นเองกําลังทรัพย์ที่จับจ่ายหามาได้อย่างนี้เป็นต้นน <c oughs> ี่ความหมายอันนั้นและความวยอกความเปิดความโหนกก็อันเดียวกันเรามีเรามีสติ ด, ดีไนดะ้มันจะไม่โลกเราจะไม่อยากเบียดเบียนขึ้นกันและกันและเราจะได้ผลออกมาจากกรร ม, มาฐานว่าเราจะไม่ทําตนให้เดือดร้อน เราจะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเราจะไม่เบียดเบียนตนและจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาจะทําตนเพื่อเป็นกลางเสมอเราจะไดูมีสติแสดงทัศน์ ญ, ญาติเสมอเลยนี่แหละเหตุผลของการฌาน <c oughs> <c oughs> นี่เราก็นอนหลับสบายทำอะไรก็มีความสุขไม่มีความทุขกข์ประการใดคนที่มาว่าที่นี่จะปัญหาพอปัญหามาให้เยอะมากปัญหาพลุกคลอนผ่อนคลายอารมณ์ไม่เหมืนเดิ ก็มไม่ได้เจริญกรรมฐานทำไมไม่เจริญกรรมฐานก็นมาามกไม่รู้เรื่องใส้ยตาช่วยจะพึ่แต่เขาเหล่านั้นไม่ช่วยตัว เ, เองถ้าท่านเจริญกรรมฐานท่านจะเกิดแสงสว่างในปัญญาจะแก้ไขปัญหาชีวิตบัตรมาบัด ท, ทุกข์ท่านได้แต่เราก็ไม่เจริญกรรมฐานดังที่กรามาสอนไปเอาบทความมาจากไหนก็ไม่รู้อายนนทความบวกไม่ชันห า, า้ความตายก็มาแทรกโกรธโคนอ้อนว่าัวนี้ตลอดรายการ ไหนเลยเราจะได้ผลจากการเจริญกรรมฐานลับแต่จะไม่ด่าอะไรตรซึมแต่งอันเป็นศาสตร์เป็นส่วนหน้าสุดาที่เกิดมาทั้งทีออาดีไม่ด่ไหนมาปฏิบัติกรรมฐานทั้งคือก็ไม่มีดีที่จะไปได้จะไม่สามารถจะสร้างความดีให้ใครคนใดและถ้าจะมีดีประการใดธตรมากล่าวมโหธแล้วเนี่ยโกทางคตวาสุขังเสสสุสุสิการฆ่าความโกรธเนี่ยมันมีความสุขความประกอาปรกเจริญอย่างไร ก็ได้อธิบายการุดการเจริญกรรมฐานที่จะรู้ว่าความโกรดจะข้ามาตรงไหนจะแก้ไขปัญหาประการใดไม่ใช่ว่าฆ่าไม่โกรถ้าไม่โกรธอยู่เฉยๆมาเต็มใจไม่ได้ฆ่าไม่ฆ่าข่าสติไม่มีกรรมฐานไม่มีสตีแล้วมันก็โกรธตลอดปลายแถมปูกพยาบาทฆ่าพยาเวรอิจาริศยาตลอดไปด้วยคนจะแพทอิจาวิศยานั้นเอาดูไม่ได้ทำมาคืงไม่ขึ้นครอบครัวไม่มีความจบ ลูกเอาดูไม่ได้เลยและลูกก็ไม่สามารถคูจองดองถ้าเราอุทษาลิขิตยาเขา้าคือพยาบาลข้าพเจ้าถ้าไปมีบุจขีดาลูกก็แตกคอกันไม่สามารถคีรันนู่โกเทงกรรมขอขอเจริญพรฝากไว้ชัดเจนพ่อแม่ไม่เอาไหนลูกมันจะไปเอาไหนล่ะถ้าพ่อแม่คือความโกรธสามีภรรยาทะเลาะกันเป็นประจำแถมอุทานขิตยาพี่น้องอีกรับรองลูกมันจะแ ต, นนะแตแะะกคอกันจะไม่จองดอง จะไม่สามารถขีดกันแน่นอนนี้กดเส้นกดถึงต่ำสร้างความไม่ดีให้กับลูกชัดเจนก็ทําให้ถูกจัดหลานเแม้หลานจะได้ดูได้ยังไงลูกก็เอาดีไม่ได้นี่แหละโหทางขัตวาสิ่ถังเสือิตเป็นกฎความโกรธถึงจะอยู่ความสุขจะมีความสุขแล้วจะฆ่ามันทุงไหนจะฆ่าได้ยังไงถ้าท่านไม่เจริญกรรมฐานไม่มีกายกําหนดจุกตั้งสติท่าจะฆ่าความโกรธไม่ได้ มาจจะฆ่าตัวเองฆ <c oughs> ่าตัวเองให้มันตายฆ่าตัวตายอย่างนี้แต่ก่อนพระเบบีกาจึงสอนหน้าสอนหนาฆ่าความโกรธอย่างไรก็ฆ่ากันไม่ได้เอาความโกรธไว้ในจิตใจกวาโกรธไว้ให้ให้อ่ให้เอาล้มเคยให้ลมท้ า, าแต่นี่คือกมฐ า, านเวลาโกรธต้องรู้ว่าโกรธหนาะโกรธเนอนี่ตรงนี้เป็นกามฆ่าความโกรธ โกรธหนอให้ใจยาวถ้าสมาธิดีฉันจะหาโกรธแต่ท่านผู้ปฏิบัติไม่เคยกําหนดมี ก, การทะเลาะกันมาปฏิบัติที่มีมาทะเลกกาะกันที่ดูดมืและกลับไปบ้านแมวโทรกราบมาบอกทะเลาะ ก, ก, ก, กับน้องพขาแล้ ก, ก็ผัวเขาแล้วก็เมียพราะเราตั้งสติไว้จะไปทะเลาะเขาทําไมฆ่ามันให้มันตายใช่ไหมล่ะหรือความโกรธอารมณ์ข้าถ้าท่านอารมณ์ข้าสามีากการทยาทะเลาะกันฉันจะไปฆ่าถ่ายจะเกงจะไม่เฉยเฉง อาลมข้างไปแนละ้วถ้าจะไปที่รักจุตจะติดต่องานจะไม่สาเร็จอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เลวเอารมณ์กลืนดูตลอดเหมือนไฟถุงผ่อนทําให้จิตท่านได้ร้อโลนคนไม่หวัานตลอดเลยการไหนเลยแนละ้วชีวิตจะแจ่มใสจ ะ, นะจะเยือกเย็นลงไปแล้วการเจริญกรรมฐานต้องการให้ใจเย็นใจสบายใจเป็นปกติแล้วจะไม่โกรธจะไม่เกลียดจะไม่เหยียดฉัน จะไม่ผูกพยาบาลท่าบริเวณแต่ท่านผู้ใดต่อไปแล้วนี่ตรงนี้สังขัดแต่เราก็ยังไม่ทํากันนะทินหาว่าฉันเกรธแต่อยากโกรธให้นานถึงจะโกก็ไม่ทันคืนเดี๋ยวก็หายไปขอให้กําหนดจะโกรธหนอได้ไหมไม่มีเลยกําหนดเกรธหนอเกรธหนออูจะหายโกรธมึงหนอ พอเนตถึงไอเรื่องบาบาบบอไปนึกถึงเรื่องบาบาบบอไอคนที่โกรธเนี่ยมันนึกถึงเ่อบาบาบบอถ้าคนเกิดเขาเนี่ยถ้านึกถึงความดีของเขาสักนิดหนึ่งแต่เขาเคยให้ข้าวเรารับทานเขาเคยส่งลูกเรเรียนหนังสือเขาเคยช่วยเราเนตตรงนี้เึงนนกถึงดีเขาเห็นแต่เนกดีได้เราจะไม่โกรธเขาเลยเนตตรงนี้เป็นการฆ่าเอาความดีเข้าไปแก้กลับลายใจดีใช่ไหม เขาไา่มาผ่าไล่ตอกท่านจะประกอบอันใดหรือนี่นกรรมฐ า, านเขาไา่ม า, ยาอย่าไล่ตอกเขาโปรดมาเนะ่ยเขาไม่ดีมาจงเอาความดีเขาเ้าไปแก้ไขคนตาหนีให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลวไหลให้ความจุงเข้าไปผลขนาถึงจะได้ผลเขาเหลวไหลมาลเราก็ไหลเหลวไปต่างคนต่างเหลวไหลไปขึ้นวยหลวงเขาขึ้นห้วยหลวง เ, าง เ, เขาคนมีประแพ ท, ที่เยอะ มันมีความจุนใจแต่บริการดังไหนเลยกนะ็คันจะท่าความโกรธหมดอะไรแต่อย่างการเจริญกรรมฐ า, านนะ่ะเป็นการขัดแก้วทีเด็ดไม่ให้โกรธถึงจะโกรธแต่หมายถึงแค่ดวดไม่ดุดฉันจะไม่ผูกพยาบาลท่าพปเวียนก่อท่านกูน้าอีกต่อไปแน่จะสะท้อลงได้ไห่ะถ้าเราโกรธเขาห้างคืนไว้เช้าคันจะทํางานไม่ได้ถ้าเป็นราชการคันจะเสียหมด ถ้าเป็นผู้พิพากษาเนี่ยขอประานโทษที่เขามาเล่าให้จำนาฟังตัดสึงทุกคุกกันนะครับไม่ดูีให้อภัยโทษแต่ประการใดทเลาะกัมยไปเมียเมื่อเขาว่าแล้วรื่อฟืนผู้พาษาเขาเล่าลให้จำาฟังหลวพ่อที่แผมไม่มาเข้าก็มาถานผมไม่รู้หรอกะเลางกับภรญาภรรยาผมเป็นครูด่าตึงทเลาะและชาวผมก็โมโหไปวันนั้นตัดสินเลย วันจันรอลงอาญาสามเดือนหกเดือนสมเดือนหกเดือนไปคุกมาคุกวะวันไหนอารมณ์ดีสวดมนต์หวพระมาวันนั้นตัดสุนให้รอการลงอายาไม่เคยมีความผิดมาก่อนเนี่ยรอลงอาญาสองปีมากงหนึ่งปีบะออกเด็กมาอย่างนี้ก่อนขอความหมายความโปรดมีสําคัญมากแต่บางคนเนี่ยบูญบาปบาปบ้ญบาเขาไายมาเราเอาความดีไปแก้ไขได้ั้ม ไม่ได้ถ้าเรามี่อฝสักฤษฤษนิดหนึ่งก็จะเรารู้ว่าคนนี้เขามี่ประโยชน์กับเราไหมเราเน้นขึ้นความดูการถ้าเรามีปฏิบัติกรรมฐานาได้จะเน้นขึ้นความดีสเสมอกจะไม่เน้นขึ้นความชั่วของท่านผู้ใดคนเราเนี่ยขอเจริญพร ม, มีทั้งดีง ท, ทั้งชั่วดูกันทุกคนไม่ว่าท่านผู้ใดมีความชั่วอะไรแล้วเมีความดีของเขาก็ดูความดีอย่าไปดูความชั่วของเขาสา ม, มารถจะหายโกได้ โกรธได้โดยนี้ทีนี่เพราะว่าการความโศกนี่เรามีกรมมฐานจะแก้ดักถ้าเราไม่มปฏิบัติกรรมฐานไม่ต้องปลูกจันเลยไม่รู้ว่าความโกรธเป็นยังไง ค, คือขยึขัดข้องทางอารมณ์มันเป็นประการใดแล้วก็ทางศัตรูทำเราทำโกโธกก็คือกําหนดโกหนอะโกรธเนอะโกรธเนอ น, นั่นเองอเราแพ้่แม่กตาให้เพื่อแพร่แม่ออกมันเป็นศัตรูกับเรา แต่เมตตาให้เขามือความสุขให้มีความสุขนึกถึงไอ้เรื่องทุกข์ของเขากลับเราแช่ให้เขาชิ้หายไว้วอดไปเลยนี่เห็นไหมทันนึกถงความดีจะไปแช่เข า, าด้วยยามไรนี่แหละยิ่งได้ความสุขเต็มที่มากตามทั่วไปสําหรับนึกถึงความดีดต่าย่อศาถนาของมนุษย์คือความสุขซึ้นมีผลสืบเนื่องมาจากจิตใจที่เกิดชื่อกําหนดจิตใจให้ได้ ทำใจให้สาบายทําใจสงกบป ก, กปกติตีศูนย์หนึ่งตีศูนย์ปัญญาเยือดเย็นกรรมฐานทําใจใเยือกเย็นปลอดกลงแต่ว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่คอยทําลายความสุขนั้นให้ศูญเสียไปนั่นคือของโกรธทําลายให้เราเสียหายตลอดเลยกาท่านนักกรรมฐานทัหลายโตพิจารณาคนถ้าท่านเจริญกรรมฐานท่านจะถัดเ้ า, าเกียวอันนี้ไป ย, ยิ่งฆ่ายิ่งไดบุญ ยิ่งทำลายยิ่งได้มีความทุกข์ทำลายได้มากกว่าความสุขเกิดขึ้นมาก <c oughs> อันหนึ่งโลกเราที่ปางเปรื้นยุ่งยากตลอดมาทุกยุคทุกสมัยก่ออาศัยความโกรธมีส่วนเข้าประกอบด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นการคงคว้าหาวิธีฆ่าความโกรธเป็นแผนหนทางที่ดีมากคือการเจริญกับนาทานตั้งสติไว้ทุกอริบด การก็ะตีไหเปวดหนอเสียใจหนอไม่สบายใจหนอเป็นตน้นนี่ดีมากเป็นวิถีที่ดีที่สุดแล้วนี้เมื่อมีสมาธิมีสติดีจะไปโกรธจะไปเชื่อแคก็ ท, กาทําทำไมติดขารุษยายทําไมเล่าไม่จางเซ็งคาราว่าพระเขาไปอย่างนี้ก็จะใช้ด่าหรือ <c oughs> นั้นมันเลยดีเหลอข <c oughs> อฝากท่านผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่แหละเป็น <c oughs> เป็นทางที่ดีมากทางคำอาถาม ถ้าเราไม่มีกรรมาฐานมีการกำหนดตามสติยากันจะแก้ไขไม่ได้เพราเราปล่อยให้เรา <c oughs> ปล่อยให้เราโกรธข้ามมามากแล้วโกรธชั้นันมากคราวนี้เราควรปฏิบัติทำปฏิบัติกรรมาฐาน <c oughs> <c oughs> เรื่องจงกลมคนที่ปฏิบัติแต่กำหนดไม่ได้ <c oughs> ก็เมื่อ เลิกก็ใช่ไม่ได้จิตร้อนร <c oughs> ้อนล้นไว้โกรธตลอดไปแถมสูขพยาบาลข้าพงเวนอยู่มองไม่มองหน้ากันเลยกลาจะจากแม่ตามมากแต่ลามีแม่ตามด้วยกรรมฐานเนี้ยท่านจะไม่ใชยโกรธคนจะมีแต่สงสารคนที่ทำชั่วกองการใจเขาเป็นคนดีจะมีวิธียังไงบ้างตามยื่เราควรปฏิบัติ เพื่อวกับค่าความโกรธหรือทําลายความเสรธโดยถัดต่างั้นต้องเจริญกรรมฐานอย่างนี้และก็ อ, อยู่เย็นใะสงบนั้นด้วยถือือ ท, ทางสายเอ๋ของพระพุทธเจ้านั่นเองจะมีประโยชน์มากก็ทางสายเอ๋ของพระพุทธเจ้านั่นคือลายก็คือการเจริญสี่ฐานเตือเป็นตนน้นเพื่อเข้าใจง่ายๆขอตั้งเป็นประเด็นตามลำหลับว่าความโกรธครืออน บางคนโยมก็รู้เหมือนกันแต่เราจะต้อธิบายให้โยมฟังความโปรดคือไรความโปรดเกิดจากอะไรความโปรดให้โทษอย่างไรคือค่าความโปรดจะทำอย่างไรและเมื่อค่าความโปรดได้แล้วเป็นถูกอย่างไรงจะได้อธิบายต่อไปเป็นข้อข้อใหท่านมือความพระกาลเรืร่องกรรมฐานความหมายของความโปรดนั้นเป็นอย่างไร ความปวดเทืการที่ไใจขุ่นเคืองใจมันขุนใจมันเคืองใจเหล่าร้อนถ้าใจของระคายมีอาการเช่นนี้น ะ, แ ล, ะแล้วกฏขึ้นแล้วคึงทราบเหตุว่านี่แหละคือความปวดควรระวังเพราะจะเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์หน้าในการต่อไปก็ทางปรดนี้เกิดจากอะไรเล่าความนี้เกิดจากอะไรเล่า ก็สืดลงไปแล้วจะพบว่าเจอจากความไม่ชอบเจอจากความไม่ชอบที่เลือกตามกับบลีว่าอะละตุความไม่ชอบเป็นเหตุให้เกิดความสะเทียงใจหรือความขัดใจที่เรียกว่าปะทิคะจากนั้นใจจะแปลสภาพเป็นลุนเคืองคือโกรธต่อจากโกรธก็เข้าเกิโทสะเป็นลำดาาับกัน ในเมื่อฟูพยาบาทเกิดขึ้นต่อจากความโกรธก็เท่าฟูโกรธคือคิดทำร้ายถ้าทำร้ายไม่สาเร็จหรือยังไม่หายแทนก็ฟูพยาบาทได้ไนใจแต่ต้องพยายามพยาบาทนั่นตอบปไว้ก่อนในจิตนี่แ ห, หละคัามทำร้ายเอยเกิด ม, มาเป็นขั้นตอนอย่างทอดทองความโกรธ ส่วนข้ อ, อของความโกรธลราก็มีมากมายเบื้องแรกจะทำให้ใจคุณเราล้อนปวนกั น, นตันปวนเมื่ดม่วนขาดความรู้สารับผิดชอบั่วดีทำให้ลืมตัวนะมองไม่เห็นคุกตะลานมองไม่เห็นนรกผิวพันเสหมองหมดชัางอาลาสือไม่มีความสวยงาม คืลยาถ่าทางบุาลากลายเป็นยักษ์เป็นมารก <c oughs> ลายเป็นยักษ์เป็นมารวาจาหยาบคายหน้าเกลียดหน้ากลัวผู้เล็กจริงๆในขั้นนี้หากระงับไว้ไม่ได้ไม่ได้กํำหนดศุดในสระกรามฐานท่ า, า, านาจะเป็นอย่างนี้แหละหนาการกำหนด ยิงโลอดถึงลานก็เกิดขึ้นก็ผูกเข้าไว้ในจิตใจสลายเป็นคนยักมานผูกความเจ็บใจบต่อฝังนอาจจะมีบาปอยู่ใน ใ, นใจตลอดชีวิตนี่แหละในขั้น น, นี้หากระนับไว้ไม่ได้ไม่กำหนดสรรฐานระนับไม่ได้ความเกิดก็จะทวีความรุนแรงยิ่งเึินถึงกับมือว่าทุบตีฆ่าฟันกันใช่หไหม ผลที่สุดก็คือตลางหรือมีทนานก็กลายเป็นชอ็อปดงตัวอย่างที่มีมาแล้วนับไม่ช้วนในสังคมของคนไทยดังที่กล่าวแล้วหรือค่าความกดนั้นก็ไม่ยากในการเจริญกรรมฐ า, านค่าทุกวันกำหนดทุกวันมีโจรก็กำหนดค่าความโกดทุกวันเมื่อไรก็กำหนดทําใจสบายมือถึงจะถูกต้อง ส่วนประเด็นที่ว่าดยวิธีฆ่าความโกรดนั้นอธิบายง่ายๆแบ่งออกเป็นสองคือวิธีการและวิธีแก้วิธีป้องกันและวิธีแก้ขั้นแรกเมื่อโกรธยังไม่เกิดขึ้นควรหาทางป้องกันไว้ก่อนโดยการหัดมองทุกอย่างในแง่ดีมองคนในแง่ดีอย่าไปมองคนในแง่ร้าง การปฏิบัติเช่นนี้เท่ากับล้อมรั้วกัน้นกันความโกรธไวในชัางแน่อย่าไปมองเขาในคนขั้วลายมองในแง่ดีกับเราบ้างล้อมรั้วกั้นความโกรธที่ในาน้ากำกดตรวธหนออ๋อคนนี้เขามีดีกับเราก็เคยให้ท่าวรับทานเท่านี้เองทำรัวกั้นไว้ก่อนท่านจะได้ผน ทานมองคนในแง่ลายเสมอไม่ได้มองคนในแง่ดีจะประการใดเลยดังเรี่ยงหลวงพ่อดูอาตมาเคยเล่าให้เด็กๆฟังโอยูผู้ชมหลวงพอดีดีเนาะดูนอกดูนายดูนอกน้องพ่อผมไปต้นเขาได้เงินแล้วกลับไปต้นเขาไปจับติดคุกเออติดคุกก็ดีเนาะไปต้นดีไหมหลวงพ่อดูเนาะดูหมดนี่เคยเล่าเด็กฟัง เรื่องเราพ่อดีนี่จะย่อๆอีกครั้ซึ่งท่านเห็นอะไรดีไปเหมาะนี่หลวงพอดีอได้ผลลองท่านไปใช้บางทีหลวก็ดีไม่เคยดุด่าว่าใคารไม่เคยดุไม่เคยด่ไยดาไม่เคยว่าไ ม, ไมายากคนและท่านมักพูดติดปากอย่เสมอว่าดีเนานและองค์นี้แต่ยายนายไม่กวาดวัดไม่เอาไหนเลยหลวงพ่อเลยโอ้ไม่กวาดก็ดี ร้องพ่อพระองค์นี้ตื nothing. ่นแล้วนอนเอ้อนอนก็ด uh ีนอนก็ดีร้อพ่อพระงนี้ก็ไม่เอาไหนเออมันไม่เอาไหนมันดีดีถ้าพระองค์นี้กวาามากไปแล้วมันไม่ดีร้องพ่อนะกวาามากไปไม่ดีนะเออไม่กว่าดีกว่าไอคนนอนดีเนาะดีเนาะองนี้ขันเยอะหลองพ่อข้าวจะไม่พอพระเออขันมากดีเนาะเจริญอาหารดีดีหมาะ องค์นี้กีนแล้วไม่ทําไม่ทําวัดชาเล่าไม่ลงทําวัดไม่ทำเมรังดีม่หลวงพ่อดีไม่ทําดีมันจะได้ไม่เหนือไม่ต้องไปสวดมนต์หรือไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่เมื่อยในร่างองค์นี้คืเเกจีกว่าวัดหลวงพ่อนะไม่เป็นนายไม่กว่าดีมันไม่เกลือเปื่อนแล้วก็มาองค์นี้มันเอาขยามาทึ้งกันไม่กว่าที่หลวงพ่อเป็นไงดีเกลืเปื่อนดีนี่ดีไปหมดไม่มีทั่วหายากนะ ดีเนาะดีหมอดองนี้นายเอาไหนเลยหลวงพ่อเออไมยเอาไหนมันก็ดีไม่มีชั่วเลยไม่ต้องมีเรื่องอะไรเลยชาทางวัดดีหมดเลยกินนอนก็ดีหมดไอ้องสวดมนต์ก็ดีไ อ, อ, อ, อ, อ, อไ้องนอนก็ดีนอนดีแอ่ที่สี่ก็ลงบอกกันโอเยไหมลงผขนอนเลยนายหลวงพ่อเอื่อนนอนก็ดีมันจะได้พักผ่อนร่งางกายพักผ่อนร่างกายกลางวันจะได้ไปเที่ยว ดูไม่เสีอหายดีมากลวงพ่อองค์นั้นทะเลาะ ก, กันเออดีทะเลาะ ก, กันดีที่สุดอย่างนี้กันก่อนมีการต่างหลายเออดีนอกสมชายชายพากต่ขนานนามว่าหลวงพ่อดีเนี่ยยกตัวอย่างวันหนึ่งท่านไปในจตุนมนบางเอญถูกฝนในระหว่างทางมีผู้เข้าขึ้นชั้นล่างหลวพ่อเปียบกฝนหมดแล้วตอนตอบว่าไงาเปียกก็ดี เปียกฝนก็ดีดีนะไม่มีเอะไระที่ว่าเปียกก็ดีต้องพอเลยเออเปียกก็ดีนอ้อชายนัานก็ไม่พอใจตัดพ่อทานวัดร้องพอเปียกดียังไงเนี่ดียังไงมันจะเป็นดียังไงได้หรอนี่ยมันจะดีไม่ได้นะหลวงพ่อนะเออไม่เป็นไรเปียกมันก็ดีนอ้อชายนั้นไม่พอใจก็ตัดพ่อท่านวัด แม่หลวงพ่อนี่อาจะบ้าหรืองไงอาจจะบ้าท่าออนก็กราบยื้มตอบว่าเออบ้าพอดีบ้ากอดีดเห็นอันว่าเรื่องของเรื่องนี้ก็ถูกบิดเบีเพียงแค่นี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพเพรหลวงพ่อท่านเสพคาถาป้องกันไปแล้วคำว่าของคำว่าของชายแล้วก็หมดฤทธ ชายิคนนั้นก็หมดฤทธิ์ความโปรดก็ไม่สา ม, มารถลุกล้ำลุกล้ำเข้าไปซ่อนหัวไกจท่านได้อีกอย่างหนึ่งท่านกับปรานาทิพย์ตอนที่ว่าอารวกยักษ์แผลงฤทธิ์ต่างๆเพื่อทถลจรัฐพุทธะโดยในละมิตรเป็นลมกรดบะฝนอาวุธบะตลอดจนขั้มสุภทานกว้างพาโปกพิษะหายหมายเผด็จศึก แต่อาวุธร้ายเหล่านั้นปรับกลายเป็นเครื่องสการบูชาไปหมดอรารวาตยากก็เลยสิ่งลุกเพราะอำนาจคำตรและเมตตาซึ่งเหมือนหนึ่งน้ำที่พระพุทธเจ้าทรงแผ่ไปคือเมตตาไม่ประมายไ ร, รกำลังลุกถ้าน้ำนั้นดับเสียไปก็จะสงบลงได้โดยสับพลันแต่ข้อสำคัญกลับไปใช้น้ามันการเสีย ใช้น้ำมันการเสียหมดเจนได้ผลสะกดเซนเทาเข้าถ่าดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันใช้น้ำมันมันก็ลูกลามแก้ความแก้โกรธ ด, ด้วยปัญญาต้องการเจริญรกรรมฐานต้องใช้ปัญญามาแก้ไขปัญหาความโกรธทั้งสองเรื่องที่แสดงมานุษเป็นตัวอย่างแผนการต่อสร้างความโกรธในขั้นแรกหากท่านนี้ยังรับไว้ไม่ได้อยู่ก็เจริญกรรมฐ า, า, มานไปเรื่อย กำหนดจิตไปเรื่อยๆจนคุ้นเคยในความดีของเราเลยก็สามารถจะยับยั้งการซิดมีสติสัญญาไดา้ความโกรธยังมีกำลังเล็ดลอดเข้าไปได้บ้างก็เล็ก น, น้อยตอนนี้ต้องใช้แผนการทั้นสองคือแก้โดยการไขชวนด้วยสัญญาจเจริญสมาธิกมามฐานไขชวนโดนิโสมนาลิการเครียบอารมณ์เนี่ย ทำอารมณ์ให้เย็นตั้งสติไวให้ได้แล้วกำหนดว่าโกรธหนอโกรธหนอเครียบอารมณ์ทำอารมณ์ให้เย็นออกไปพอหายใจยาวๆเข้าอารมณ์ก็เย็นเครียบอารมณ์พยายามใช้ความคิดอย่างมีเหตีนบมืผ่พิจารณาถึงพ่อของความโกรธจําเดิมถ้าทำให้ใจริปผลิตเล่าร้อนกระวนกระวายเสียความสุภาพหมดเนมหาศย์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 เสียวเวลาเปล่ารวมความว่าเมื่อได้นำสติปัญญาเข้าไปช่วยแรงเพื่อการเจริญสักรรมาฐานทุกบิญนาภิท์ทุกลมหายใจเขาออกแล้วนะ่ะใจที่ขุ่นเคืองก็จะกลับเ็นปกติอย่างที่พระเวทขันดอนบรมโพธิสัตว์จ้าทรงปฏิบัติมาสมัยที่จระทับอยู่ที่เขายวงกดป่าหิมะผาน ตอนถูโทุกขคลามขอสองกุ ม, มารได้แล้วจะเขี่ยนตีอย่างทารูมที่สุดอันเป็นภาพสะเทือนสะไทยอย่างรุนแรงสงธหรือว่าข้าพรามเสี้ยนิสเกิดจะไรแต่เดชะบารมีที่ขณะนั้นพระปรีชาปัญญากลั บ, บ้ังเกิดขึ้นทันทีนัาบวลมลา่าเฉลิมศีลเบิดชัชนดอนสิ็นย่งยังย่งสะไทยว่าเชด้ ซึ่งแตงพลน า, าความตอนนี้ไว้อย่างเพราะว่าเสมือนหนึ่งปลาเม็ดมาตีปลาที่หน้าใชใ้ชในที่นี้หมายถึงเพื่อนเพื่อนอา่าดักปลาชนิดหนึ่งใสบันดาปลาจะเท่าไปให้แต่ละตัวเราผู้ทําทามเสมือนตัวปลาชาพโยธิยานในพายทักหน้านั่นต่อใครได้ มีความหมายอย่างนี้เป็นก้อนดังเรื่องหลวงข้อดีซึ่งท่านเห็นอะไรดีไปหมดไม่เคยดูด่าว่าใครจะประการใดก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจใน ก, การปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นก้อนมีความหมายเพราะฉะนั้นพระเวชนดรพระพุทธศาสนี้าการก่อโกรธเหมือนกันมาตีปลาหน้าใครเกิดขึ้นโดย ของกุมารเป็นพระลูกกลายเป็นของลางแก้วตาทั้งสองให้เระเราทานเป็นทานไปแล้วเขายังโปรดพร น, นึกใช้ปัญญาพระกรรมฐ า, านภาวนาแล้วก็ได้ตัดใจได้ไม่โกรธตอนนี้เป็นเลื่องนะก็คือหลวงพอดีเตชาชาสามารถนี่นเนื้อยางเขาไปส้นดอนเรื่องถือใจตาชนาจะเข้าไปจึงยอบพระลูกให้เป็นทานบารมี ถ้าลูกรักทั้งสองเสือดังกระแสสินพรามละหมาดมินมะดาตีเหมือนกระคุ้มวาลีให้ปราตุจกตอนหนึ่งหลานจากที่พระองค์ทรงดำริจะฆ่าลรามแต่พระปัญญาญาณเกิดขึ้นมาช่วยไว้ทันนั่นคือกรรมาฐานท่านชันละนาไวดีว่าเท้าวเธอก็ตั้งสมาธิละนับใช้ปัญญาใช้สมาธิ ละนับดับพระบูโยกกล้านพระโศสงบแล้วละพระก็ผองแพร่ใสดุจทองอุไลทั้งแท้อันบุคคลได้แง่หลรอได้รอแล้วมาวางไว้นในพระอสมบางแต่จะเชยชมพระปิยบุตรทานบารมีนี่คือตัวอย่าง แก่โกรธด้วยวิธีใช้ปัญญาด้วยกรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นปัญญาที่แก่โกรธได้ชัดเจนและดีที่สุดแก้ความโกรธด้วยการเครียบอารมณ์ดังกล่าวแล้วทุกประการอีกอย่างหนึ่งความโกรธจะทําให้เกิดการระคายเคืองในใจเปรียบสเสมือนผงเข้าตาถ้าเป็นเช่นนี้จะต้องเปลี่ยนวิธีเครียบอารมณ์คล้ายกับเรื่องของถอยทะเลบางชนิด ที่เล่ากันมาว่าเวลามันกินอาหารบังเอิญมีปลวกทรายคัะเข้าไปในปากตัวชายนั่นจะก่อความระคายเคืองอวัยวะบางส่วนของหอยนั่นเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นธรรมชาติจึงขับน้ำชนยาชนิดหนึ่งออกมาเคลียบตรวจทรายนั่นหายระคายเคืองนี่เองแหละคือที่มาของไขมุกซึ่งมีค่าสูงมาก ความจริงว่าถึงตรวจกายก็ดีหรือน้ำยาในตัวหอยก็ดีไม่มีค่างวดอลังแต่เมื่อมาผสมกันได้ส่วนถูกใจของผู้ต้องการแล้วปลาปลายเป็นของดีมีค่าไปได้เอาลมคือเรื่องต่างๆทื่บางคนเห็นว่ารุนแรงและเผ็ดร้อนและเผดร้อนหากจะได้ใช้วิบีเครืยอเสีย บ, บ้างอย่างหอยมุกบัก โดยการตั้งสติทุกเวลาความยุ่งยากเดือดร้อนต่างๆดังที่ละบากดเทั่วไปนั้นก็จะไม่มีขึ้นได้เลยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติจึงขอนำให้ท่านรู้จักกับเสถีละอีกหนึ่งชื่อว่าพรนะปุมณะสร้างท่านเดินท่านเข้าไปทูลพระพุทธเจ้าเพื่อเดินทางไปเมืองสุงนารบรลันตาพระบรมสาสดาพูวงว่าชาวเมืองนั้นดุร้ายมาก เธอไปแล้วอาจจะมีอันตรายได้ท่านภูมิว่าข่ะพระองค์เตรียมเครื่องป้องกันไว้แล้วคเจ้ค่ะแต่ว่าถ้าไปแล้วขู่ชาวเมืองทากันด่าเธอจะทำอย่างไรภูมว่าข่ะพระองค์จะคิดว่าเขาด่าก็ยังดีกว่าเขาตีเขาด่าก็ยังดีกว่าเขาตีแต่ว่าเขาตีล่ะทูมว่าข้าพระองค์คิดว่าดีกว่าเขาข้า จับคลาดตอบไป่าถ้าเขาฆ่าลราจะทําอย่างไรภูมิว่าถึงกระ น, นั้นข้าพระองค์ก็ยังภูมิใจว่ายังดีกว่าคนที่ฆ่าตัวตายสมเด็จขจรใจบรมศาสดารโลกนาฏประทานกาทุกการว่าดีแล้วข้าคนนั้นเธอไปได้เธอจอบภัยแล้วทุกประการตามปัวอย่างนี้ถ้าเราจะนํามาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ก็จะเกิดประโยชน มาทีเดียวสมมุติว่าคนใช้่งทําถ้วยแก้วแตาทันที่เป็นนายแต่ยอมเป็นท่าของความโกรธก็จะเกิดใจเป็นชิดขึ้นมา ท, าทันทีหน้าตาจะบูดเบ้งหน้าเครียดหน้าช่างแล้วก็พ่นชิดออกมาเป็นคำดุด่าว่าพ้าหยาบคาในนาประการถ้าโกรธก็ตามเลิกหน้าก็จะทําให้ถึงกับลงโทษการจิงการจั อันนี้ถ้าเราจะคิดเปลี่ยนยุคทีใหม่เป็นเพื่ออารมณ์โดยคิดมาช่างเถิดช่างเถิดของมันแตกได้ทั้งตัวเราไม่ชาก็ต้องแตกทำลายไปเหมือนกันหรือจะคิดว่าเราก็เคยทำแตกอย่างนี้เหมือนกันมาอันนี้ก็เป็นเพื่อเพื่ออารมณ์เหมือนกันเพราะเราได้มีความรู้ความเข้าใจความเป็นอยู่ขังทียิตอยู่ต่อไปได้อย่างสมปรารถนาทุกประการ เขาจะนั่นจะเปรียบเทียบให้กันทั้งหลายฟังว่าการเต้นอยู่ก็ดีการที่ทําหน้าที่ในการเต้นอยู่ก็ดีก็จะฉนั่นหลักวิธีการไม่มีรายดีเข้ากับเจริญกรรมาฐานเราจะได้รู้เหตุการณ์ที่ชีวิตได้สามารถจะแก้ไขตัวเองได้เห็นรารนาก็ได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้จะได้ใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายเห็นรารนาทุกประการ อาตมาก็ชี้แกงมาก็ขอเช้ญควรแก่เวลาเลยพรหมูธนาสารุการจะ้พูดเจริญตกรรมาฐานปฏิบัติธรรมไม่มีรายดูแก่กรรมาฐานจเจริญปติฐานสื่อแก้ปัญหาได้สามารถจะฆ่าความโกรธที่เราออกเ ส, สด็จกายได้ทำไม่ใจกรดไม่คุนคุยรังและแทนเป็นการผูกพยายามบาฆ่าพิจารณต่อการณ์มีกเมตตา ลามีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันละกันมีแต่ให้มีแต่ช่วยมีกับผููจาเพราะมีกับผููจาเหมาะเจาะแก้ไขปัญหาอยู่ด้วยทารร่มเย็นเป็นสุดตลอดการเวลาไม่มีการอยู่ร้อนนอนทุกข์และอยู่ด้วยการทะเลาะวิวาทกันอยูด่ด้วยความสันสิไม่มีวิวาจังมีแต่สามมาคีทำนำสามดีสุดโดยทั่วนาการขอทุกท่านที่มาเจริญกรรมาฐานจงเจริญนอกทางไภัยบูรณปราปุกศาสนา ขององค์สมเด็จตระกัมมาทั้งดุจเจ้าเบญจุราชกันอยากขอที่ท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาพละปฏิภาณศาส น, นาสามสมบัติเมตเจจิณณการได้สมความมุ่งมาสัตยานาด้วยการทุกขรูปทุก น, นามหน้าโอกาสบัดนี้เพลิน